ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่สี่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมพสามแผ่นที่สี่สิบห้ามพสามแผ่นนี้ให้คติธรรมหัวข้อว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะเกิดสุขรู้สึกว่า พวกเราท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันแต่ว่าความคิดเห็นนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดกวัวทิฏฐิคือความเห็นต้องมีแต่ข้อสำคัญขำว่ามานะคือความแข็งกระด้างคาว่าแข็งกระด้างคำนี้ก็แข็งด้วยปัญญาด้วยความรอบครอบด้วยความถูกต้องก็ควรจะแข็ง แต่คนที่ไม่แข็งเลยไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นทั้งทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างมันก็ได้ใช้ได้ทั้งสองอย่างทิฏฐิคนเราก็ต้องมีความเห็นพวกคนต้องมีความเห็นแต่มานะความแข็งกระด้างนี่ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นไปที่ไหนก็แข็งกระด้างคืบไปหมด ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักผู้น้อยไม่จุกจักผู้ใหญ่ไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไปอยู่ในสถานที่ใดจะเดือดร้อนแลวก็จะแตกแยกในหมู่ในคณะไปทุกหัวและแห่งเพราะอะไรเพราะความแข็งกระด้างเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ในคณะแล้ว ชุมชนในกลุ่มนั้นคณะนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเป็นนิทานชาดกความแตกแยกสมคีของนกกระจาบ ก, ก็ทําให้จิบหายทั้งฝูงทำการที่อิจฉาความอิจฉากันอย่างหมีกับไม้สักเค้ากับพูกหาเทวดาก็ทําให้บ้านของเทวดาต้นไม้ของเทวดา และก็หมีก็ถูกทำร้ายเพราะความอิจฉากันเพราะนั้นเรื่องการอิจฉากันไม่เป็นผลดีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็ไม่เป็นผลดีอย่างกากับนกเขาเพราะความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่ากาก็ตำหนินกเขาว่าไม่มีปิสัยทัศน์นกเขาก็ตำหนิกา วันนาไหว้หลังหลอกเป็นสัตว์ที่ขโมยไม่สัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่จริงจังพอที่สุดก็เลยกากับนกเขาก็เลยแตกกันแตกสมัครคีกันตนั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่ต้นตระกูลของเขาเดี๋ยวนี้กากับนกเขากาเห็นนกเขาว่า เ, เวลากลางวันก็ไล่จิกนกเขากินนกเขาวงกตหัวขาดแต่เวลาตกกลางคืน กาบองไม่เห็นนกเขาบันดาสว่างกลางคืนกนไล่ตีกากินกาหัวกุดหัวขาดเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการจองเวรกันการไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันการอิจชาพยาบาทกันเป็นหนทางแห่งความจิบหายเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านอยู่ในชุมชนในกดกลุ่มใดอยู่ในครอบครัวใดก็ให้ประสานสมัคคีกัน หน้าที่ภรรยาดูแลครอบครัวอย่างไรหน้าที่สามีพ่อบ้านทำหน้าที่ดูแลครอบครัวอย่างไรหน้าที่บุตรธิดาลูกทุกคนเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วทำตนอย่างไรเป็นที่สบายใจของพ่อของแม่ในครอบครัวตลอดถึงพระสงฆ์อยู่ในวัดก็เช่นเดียวกันเราทำยังไงในเมื่อเราเป็นหัวหน้า อย่างหลวงพ่อเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของวัดควรจะทําตนอย่างไรควรจะให้ความอบอุ่นดูแลพวกลกูกสิทธิ์ลูกหาโรกๆกอย่างไรเรื่องปัจจัยสีเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการเก็บไข้ได้ป่วยต้องจะดูแลอย่างไรในเมื่อหมู่พระสงฆ์โกูโกๆน้องๆของหลวงพ่อที่เข้ามาอยู่ที่วัดควรปฏิบัติตนอย่างไรจะไม่ให้ทําให้หลวงพ่อทกใจ ไม่สบายใจเพราะนั้นทุกหมกทุกเล่าให้ช่วยกันคิดเพราะพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วได้รับการศึกษามาด้วยดีทุกทุกท่านแล้วเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราควรจะอยู่ในสถานะอย่างไรในเมื่อเราเป็นลูกเราควรจะอยู่ในสถานะอย่างไรเราเมื่อเป็นครูบาอาจารย์เราจะอยู่ในสถานะอย่างไรในเมื่อเราเป็นลูกเราควรจะทาอยู่ในสถานะอย่างไรเพราะนั้น พวกเราถ้าพวกเราคิดนะรู้จักสถานะของติตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องอยากจะให้คนอื่นดีเราต้องทำดีให้คนอื่นดูอย่างหลวงพ่ออยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดู <Correct. S 1> เมื่อพ่อแม่ก็เหมือนกันอยากจะให้โลกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูปู่ย่า ตายายอยากจะให้พวกล้านหลานดีก็ต้องทำดีให้ลูกให้พวกล้านหลานดูไม่ใช่ว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุตาก็ฝ่าวางหูก็ตึงฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวแล้วยังไปกินเหล้าอออไปเต้นลําในที่สาธารณะว่านี่คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันมีหลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมสงบสงเง่ยเป็นตัวอย่าง ที่ดีของลูกก็มีวัฒนธรรมกินเหล้าเมายาก็มีเราจะเอาวัฒนธรรมไหนมาให้ลูกให้ลใหลานเราดูถ้าว่าลูกหลานของเราดื่มกินเหล้าเมายาสมาเปรยเทเมาเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็ควรจะเอาวัฒนธรรมอย่างที่ที่เราต้องการให้ลูกหลานเขาดูเขาจะได้เรียนวัฒนธรรมจากเราไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ขอฝากไว้กับชุมชนสังคมทุกหมู่เหล่าเพราะนั้นอยากจะให้คนอื่นดีต้องทำดีให้คนอื่นดูดีนั้นคืออะไรพวกเรากคงได้รับการศึกษาด้วยกันอยู่แล้วเพราะนั้นความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะให้รู้จักสถานะของตนเองเราอยู่ในชุมชนกลุ่มใดจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรารู้รู้รักสามคัคคีมีความพร้อมเพียงกัน